บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นรุปการ ะ, ระแก่การปฏิบัติกระปพระฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวทุกเรื่องสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่ออจตนะทั้งสองฝ่ายเกิดยัตนะภายในและภายนออกมากระทบกันบนในขณะนั้ น, น, น กิเลสประเภทสังโยชน์หมายถึงกิเลสประเภทที่เป็นตะกรอนใจอยู่ใล้ๆตะกรอนที่นอนอยู่ใต้ก้นภาชนะเมื่อไม่มีอะไรมากระทบภาชนะเขาก็อยู่ก็อย่างนั้นแต่เมื่อมีอะไรมากระทบตะกรอนนั้นก็ขึ้นมาส่วนจะขึ้นมามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงกระทบ แต่แรงกระทบมากก็ขึ้นมามากแรงกระทบน้อยก็ขึ้นมาน้อยบันกิเลสภายในใจคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนล้นจริงเราก็กระทบอารมณ์ที่ผ่านมาทำงระษาทสัมผัสอยู่ทุกวันจนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีขณะใ ด, ดเลยที่ประสาทสัมผัสไม่กระทบกับอารมณ์แม้แต่ในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ ในขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดประสาท ส, สองส่วนก็ทาหน้าที่รับอารมณ์นั่นคือกิ จ, จิตที่กำหนดระลึกรู้อารมณ์ซึ่งใช้แนวระลึกในขณะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ระลึกอารมณ์อะไรแม้แต่จิตเดินเข้าไปถึงสมาธิแล้วตัวสมาธิเองก็เป็นอารมณ์ ถ้าเรียกชื่อแนวอารมณ์ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเพียงแต่ว่าเป็นกุศลท่านั้นในขณะเดียวกันกายเราก็ทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่าน้อยก็แข็งกับเย็นร้อนที่มากระทบแต่ในายามปกติหูก็อาจจะได้ยินเสียง ไปนั่งอยู่ในที่บางแข่งกลิ่นไม่ค่อยดีอาจจะได้กลิ่นเพราะงั้นทุกขณะเราก็รับอารมณ์แต่ถ้าเราตรวจดูจิตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสังโยชน์จะเกิดขึ้นเสมอไปมีเป็นอันมากที่กุศลธรรมเกิดขึ้น มีเป็นนั้นมากที่อารมณ์ก็ใดก็หนึกงไม่เด่นชัดออกมาแล้วก็มีเป็นนั้นมากเป็นกันที่อกุศลนิธรรมเกิดขึ้นแต่การเกิดก็ขึ้นอยู่กับความโน้มเอียงทางจิตที่มีการกำหนดอารมณ์นั้นๆไว้ในการกอดทำให้เราพบว่าเวลาเห็นรูปเป็นต้น ความรู้สึกเราอาจจะยินดีก็ได้การยินดีนั้นอาจจะหนักไปทางกุศลก็ได้หนักไปทางอากุศลก็ได้ถ้ า, น า, านหนักไปทางกุศลศรัทธาต่างๆก็เกิดขึ้นหนักไปทางอกุศลความโลภความอยากได้ความยินดีความพอใจทนาความริดรนทางใจก็เกิดขึ้นหรือบางที่เกิดยินร้าย คือไม่พอใจไม่ชอบใจในสิ่งเหล่านั้นเราไม่พอใจโดยการกำหนดสิ่งเหล่านั้นในแง่ไว้ไม่ดีไว้ก่อนก็ได้หรือไม่พอใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการกระทำชั่วของเราก็ได้การกระทำความดีของเราก็ได้เช่นคนกระบังกระทำชั่วเมื่อเห็นคนอื่นมาแม้จะเป็นญาติพี่น้องของตัวเอง ถึงตามปกติแล้วญาติพี่น้องพบ ก, กันก็ต้องยิน ด, ดีกันแต่ในขณะนั้นเรากำลังจะทำชั่วญาติพี่น้องมาเราก็เกิดไม่พอใจกลัวญาติพี่น้องจีเห็นคนนี้ทาให้ท่านปรชาชนสังเกตลักษณะทางอารมณ์ได้อย่างหนึ่งว่ามันขึ้นอยู่กับการกำหนดของจิตในขณะนั้นนั้นนอกจากว่าจะเป็นการกำหนดไวในอดีตแล้วการกำหนดในขณะนั้นกับเรื่องที่เราจะทาในขณะนั้น กลายเป็นปัจจัยเข้ามาประกอบคนสามีพัญญาหรือเพื่อนที่รักกันไม่ใช่ว่ายินดีต่อการพบกันเสมอไปแต่ในขณะที่เรากำลังจะกระทําความชั่วเมื่อคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้สึกกลางๆหรือคนที่เรารู้สึกไม่ชอบมาเจะเกิดความไม่ยินดี หรือบางทีเราต้องการจะทำความดีเช่นเราต้องการจะนั่งสมาธิต้องการจะไหว้พระสุดหมดต้องการทำความสงบให้แก่จิตใจหรือต้องการจะอยู่เงียบๆคนเดียวแม้จะไม่ถึงก็เป็นสมาธิก็ตามในขณะนั้นคนจะเป็นที่รักอย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามารบกวนเข้ามาชวนคุยเข้ามาแซวซี้เราอาจจะรู้สึกกาคาญ หรือว่าคนที่เรารู้สึกกลางๆมาเราก็รู้สึกไม่พอใจยิ่งคนที่เราไม่ชอบมาแล้วก็ไปกันใหญ่ลักษณะาอารมณ์เหล่านี้จึงมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลส่วนหนึ่งเป็นการกําหนดจากอดีตแต่ส่วนหนึ่งเป็นการกําหนดในขณะนั้นๆแล้วถ้าเรามองให้ดีมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะกระทําหรือกำลังกระทํา หรือสังคมสมาคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดถึงกิจการงานที่เราต้องรับผิดชอบแม้บุคคลเป็นที่ตั้งของความยินดีบางทีเรามีการงานแต่จะต้องจัดจะต้องทําถูกจํากัดด้วยเวลาถูกจํากัดด้วยความสงบถูกจํากัดด้วยความประณีตเงื่อนไขความรู้ต่างๆมา คนจะเป็นที่รักยังไงมาก็ตามเราก็ไม่ชอบลักษณะอาการยินดียินรายที่เกิดขึ้นภายในใจทำให้เห็นว่าเรามีปัจจัยหลักคือการกำหนดการปรุงคิดการคิดปรุงหรือที่ท่นานใช้คาว่าการปรุงแต่งของเราเองเป็นปัจจัยหลักแต่ปัจจัยเข้ามาประกอบก็คือ สถานะของเราในขณะนั้นการงานในขณะนั้นเวลาสถานที่กลุ่มคนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้นนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงจากคนที่เราเคยรักให้กลายเป็นคนที่เราไม่ชอบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เราไม่ชอบคือเรากําหนดไว้ในอดีต เ, เป็นคนที่เราไม่ชอบ จะเป็นศัตรูคนที่เราไม่ชอบประเหตุผลอะไรก็ตามแต่บางกาละบางเทศะพราจะอาจจะเกิดความพอใจยินดีที่คนเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆก็ได้เช่นตัวอย่างที่เราต้องการความสงบดังกล่าวแล้วและมีคนที่เรารักเข้ามาพูดเข้ามาชวนคุย รู้สึกอึดอัดในขณะนั้นพอีคนที่เราไม่ชอบมาชวนคนนั้นไปออกจากสถานที่นั้นไปความชอบเราก็เวี่ยงไปอยู่ที่คนซึ่งเราไม่ชอบแต่น้อยเราก็ชอบการกระทาของเขาในขณะนั้นความลักษณะการเบี่ยงเบนของจิตใจที่เกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์เอาก็จริงแล้วมันเป็นเรื่องขณะขณะขณะ ซึ่งถ้าเป็นความสับสนที่ค่อนข้างมากก็เป็นอาการก็ลมเพลงมพัดจะ ข, ขึ้นขึ้นลงลงหรือปั่มปมเปือย อ, อ, อ, อ, อ, อย่างที่เราพูดซึ่งแสดงว่าการกำหนดนั้นไม่ได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทั้งกลาวแล้วในต น, ตน ทำให้เราเห็นได้ว่าสังโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงไม่จําเป็นว่าต้องเกิดขึ้นตามลาดับอย่างนั้นแต่ในแง่ของการเรียบเรียงหรือการพูดมันก็ต้องเรียบเรียงไปอย่างนั้นพอเราก็พูดได้ทีละคําเรียบเรียงอักษรมันก็อักษรก่อนมีอยู่แล้วไปเอาตัวใหม่ลงไม่ได้มันก็ต้องเรียงกันไปอย่างนั้นแต่ตัวเกิดมันเป็นนามธรรมเวลาเราพูดเสียงเนี่ยมันเป็นรูปธรรม อักษรก็เป็นรูปธรรมจึงต้องมีการเรียงเป็นลำดับแต่ในขณะเดียวกันที่ท่านเรียงไว้อย่างที่เรานำมากราวกัอยู่เสมอที่จริงกิเลสประเภทสังโยชน์มันก็คือสังโยชน์ทั้งนั้นแหละจะอยู่ลึกๆเรียกเรียกสังโยชน์ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าท่านจะเปลี่ยนชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้พชื่อก็เป็นการสมมติบัญญัติขึ้นตามลักษณะอาการของกิเลสที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆเท่านั้นเอง เป็นการเรียงไปตามลำดับที่พระยาบุคคลนั้นละได้มาความสามข้อแรกที่พูดไว้ในตอนต้นคือสักยติติความเห็นเป็นถือตัวถือตนหรือมีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตนที่นำไปสู่ความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงลึกๆก็มีตัวตนนี้แท้แน่นอนมีตัวตนที่แยกมาจากตัวตนใหญ่ จะเรียกว่าอาจมาตามันอาจตามันมาตบันก็คือตัวตนใหญ่อาจตบันก็คือตัวตนเล็กเป็นความเชื่อโบราณนานเนยบอกว่าชีวิตนี่มาจากตัวใหญ่เรียกามาตมัหรืออามาตามันหรือตัวตนที่ใหญ่ือแยกย่อยออกมาก็เป็นคนเป็นรัฐเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แยกมาจากตัวนั้น ันต่อมาศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่หลังพุทธกาลมันก็เกิดขึ้นในแนวโบราณอย่างนัน้ถือว่าชีวิตมาจากตัวใหญ่จะเรียกชื่ อ, อยังไงก็เป็นเรื่องของภาษาของท้องถิ่นเลานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นที่ปักใจฝังใจลงไปอย่างนั้นวิธีการสอนพูะเจ้าก็สอนใครพวกนี้มาตลอด ไม่ใช่นิ่งๆเราจะไปละมันได้แต่จะมีการขูดเก่าขัดเก่าวความคิดเหล่านี้มาโดยลำดับเขาเรียกว่าปรับความเห็นให้ตรงมาโดยลำดับวันตรงแล้วถ้าเราพูดโดยโครงสร้างสรุปเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเกิดไสิกขาถึงเป็นตัวหลักท่านสาธาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าทิฏฐิระดับศีลคือความเห็นระดับที่จะให้เกิดศีล จริงๆมันก็เป็นสมาทิติระดับศีคนสามารถคิดแนวอุปมาเทียบเคียงที่ทรงใช้ตำนวลบาลีว่าอัตานานอุปปังกัตวาคือทำตนเป็นอุปมาเป็นตัวเทียบเดนการเรียนรู้จากเราหมายความว่าเอาเราเป็นครู ให้รู้จักตัวเองให้เข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วก็ เ, เชื่อมโยงกับคนอื่นว่าเราคิดยังไงเราต้องการอยา่างไรไม่ต้องการอะไรคนอื่นสติอื่นมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าพูดได้หรือพูดไม่ได้เท่านั้นแต่ว่าการแสดงออกมันเห็นได้ชัดจึงเกิดเป็นการสารวมรวง ที่จะงดเว้นไม่ล่วงละเมิดต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่าคู่ครองของกันและกันแต่เราต้องพูดจาด้วยคำสัจคำจริงถ้าจะเห็นได้ว่าลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนคือมีตัวมีตนมันมีทั้งเรามีทั้งของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่ามีเขามีทั้งของเขา ก็แสดงอาัตานุทิฐิคือความเห็นว่าตัวตนมันก็มีไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเห็นแล้วยอมรับในสิทธิของกันและกันอย่างที่เราพูดเราตอกย้ำเรียกร้องกันมากเรื่องสิทธิหน้าที่ในระบบประชาธิไปไตยเรียกร้องกันมากแต่เราสังเกตว่าที่จริงแล้วสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการทำหน้าที่ แต่คนมักจะเพ่งเล็งไปที่สิทธิซึ่งตัวอยากได้อยากปีอยากเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำหน้าที่ไอ้สิทธิตามหน้าที่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นต้องการจะไปไหนมาไหนอย่างอิสระเสรีไม่ต้องการการรบ ก, กวนการติดตามการสอดส่องการควบคุมของกับบุคคลอื่นแต่ไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่พลเมืองดีไอ้สิทธิเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ายัางทำตัวเป็นพลเมืองร้ายอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองดีแต่ต้องการสิทธิของพลเมืองดีเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการไปได้เพราะในแง่นี้ที่จริงก็คือแน่สิทธิคือเรารู้จักสิทธิในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองในการรับฟังข่าวสารของเราแล้วเราก็ยอมรับ จิตทิในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองในการรับฟังข่าวสารของคนอื่นก็ไม่ร้องลัํากาเกินกันแต่ว่ายอมรับเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเรายอมรับสิทธิของเขาเรายอมรับหน้าที่ของเขาการร้อลั่นกำเกินกันก็ไม่มีก็เป็นระดับศีลธรรมจรญยานั้นก็แสดงว่าขัดเกลาเรื่องของจิตทีลงไป ไม่ถึงกับมองควายหนึ่งเป็นจตุจูจะต้องไ ล, ล่ล่าจะต้องทำลายอย่างสัตว์ดิเรกชันแต่ก็มองอย่างคนกับคนอย่างมองเพื่อนร่วมทุกข์แล้วในจุดนี้เราจะพบว่าพระเจ้าก็มีวิธีการกระจายลงไปว่าทำยังไงมันไปได้ฤก่านั้นอย่างแนวที่เคยยกตัวอย่างไว้เวลาแสดงเรื่องกุศลกับบทเต็มที่เนี่ยท่านจะเรียงไว้เป็นสีระดับ แต่ว่าเจาะลึกลงไปเช่นสมมติว่าทรัพย์อย่างเงี้ยนอกจากเรายอมรับสิทธิในทรัพย์ของคนอื่นแล้วจะต้องงดเว้นไม่ล่วงละเมิดสิทธิของทรัพย์สินของเขาแล้วก็ไม่ใช้ไม่สนับสนุนส่งเสริมบุคคลอื่นให้ล่วงละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ยกย่องสรนเสริญคนที่กระทำเช่นนั้น จนถึงกับไม่ยินดีในการได้มาหรือสิ่งที่ได้มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นสมาชิต่ันใจเราก็เดินเข้าไปในอริยมรรคที่ชัดเจนมากทั้งสาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเดินมาถึงจุดนี้คือเพียงระดับที่สี่เนี่ยที่จริงแล้วเป็นธรรมจริยาตำหนิบาลีเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่าธรรมจริยาสมารจริยา ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตในปัจจุบันในรัชกรมศ ร, รมมินทร์มำไมก็เจาะลึกลงไปก็ไดนน้หมายความว่าไม่ได้ลดเฉพาะตัวทิชิีอย่างเดียวแต่ลดตันหาคือการ ข, ขวายคว้าของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทรมาเป็นของตนโดยวิธีตรงๆคือทําเองโดยวิธีใช้คนอื่นหรือว่าประยกต์จ้องสรรเสริญ ไปพอใจไปยินดีกับการกระทำเช่นนั้นแต่บางทีสิ่งของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำสมาต่กชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สอนดนึงขนาดกันแต่องศีลพระนี่ที่จริงมีศีนอยู่เลยใมความของนั้นได้มาในทางที่ไม่ชอบทำบ้านจะไปรับไม่ได้ผิดวินัย เรียกว่าปิศีลของพระซึ่งเราเดินมาถึงจิตนี้สัมมาจิวาเราก็เห็นได้ชัดแต่ที่นี้ถูกความคิดความคิดต้องเป็นสัมมาสังกัปปะคือคิดชอบเป็นความคิดที่บันเทาความอยากได้ใครดีในสิ่งของของบุคคลอื่ แสดงความเห็นก็เป็นสัมมาจิฐิระดับกรรมสกตาสัมมาจิติคือความเห็นชอบในกฎของกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การพูดเราก็ต้องพูดในทางที่สุจริตการทำก็ทำในทางสุจริตการเลี้ยงชีพก็เลี้ยงชีพในทางสุจริตก็กลายเป็นสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะ การพยายามต่อสู้กับกระแสความคิดซึ่งที่จริงไม่ใช่เรื่องง่าย <Nich ol ib li> เพราะว่าเป็นการดั้วยุยดั้วยวนดังกล่าวแล้วคือมันมีแรงกระแทกก็ตทำนองตะกอนตะกนภาชนะดังกล่าวคือมันกระแทกมันกระแทกด้วยผลประโยชน์มันกระแทกด้วยสิ่งที่เรารู้สึกว่าได้มาสบายสบายบายันทีมีการเศร้าซี มีการให้ก่อนแล้วจะให้อีกจะได้อีกไอ้ความโลภที่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่ปรากฏกับหน้ากับความโลภต่อสิ่งที่จะได้ป่าแล้วการจะจินตนาการออกไปอีกมากมายไกลกองว่าผลประโยชน์ต่างๆที่เราได้จากทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้มันจะมีอีกมากเพราะงั้นแรงกระแทกเหล่านี้มันจะทลายปราการคือความ ร, รับผิดชอบ มันจิตใเองก็ต้องพยายามที่จะป้องกันจิตพยายามลดละกิเลสที่เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็พยายามสะสมความดีพยายามรักษาความดีตอนนี้ก็กลายเป็นสมมาวิยปะหรือความพยายามชอบสติสัมปชัญญะก็ต้องมั่นคงมองเห็นสิ่งเหล่านั้น ได้หลายระดับก็ทรงสอนสอนไว้หลายระดับก็แล้วแต่ใครจะคิดระดับใดคือเทียบเคียงถึงทรัพสมบัติทีเราได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเพราะนี้เป็นสังขารมันจะมีจะ ก, กี่ร้อยล้านพันล้านก็นตามมันเป็นสังขารมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปแล้วในขณะที่อยู่ภายใต้การครอบครองของเราเ พระพทธเจ้าเรียกว่าอัรพิษทรงใช้คำบาลีว่าอาศีวิโสแปลว่าอสศรพิษที่มีพิษร้ายมันพร้อมที่จะกัดกินเราได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะลักษณะของวัตถุกรมจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรก็ตามแหะแต่ที่ท่านรวบรวมมาวัตถุ ก, การมคือพอใจไปให้ความสาคัญแก่มันแล้วมันไม่พอ มันอยากได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันมันตกอยู่ในกระบวนการของตัญหาที่ทรงแสดงลักษณะของมันมันมันจะหมุนอยู่เนี้ยไม่หยุดสักทีหนึง่งโอโนโอปวิกาได้แล้วอยากอยากได้อีกได้แล้วอยากได้อีกได้แล้วอยากได้อีกต้องการได้ต้องการเป็นต้องการได้ตด้องการเป็นต้องการได้ต้องการเป็น แล้วก็ไปก็มันเรื่อยว่าถามเมื่อไหร่ต้องการจะหยุดได้หยุดเป็นก็ก็ไม่มีคําตอบแล้วจะเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในเรื่อ ง, งนั้นแต่ถ้าเราสวดตัวให้ดีนี่ทุกมันแยะเช่นสมมุติเรามีเครื่องประดับประดาสวยงามมีอะไรแต่ไม่อะไร ม, มากมายมันเดือดร้อนไปหมดแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินเพิ่มของเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มอะไรอีกเยอะแยะเต็มหมด แสดงว่าเราก็อยู่ใกล้สารพิโทระบัดระวังเพราว่าภาพเหล่าเนี้ยถ้าเราคิดได้เห็นเป็นธรรมะเราสามารถจักได้จากหนังสือนวนยญาจีนอะไรแต่ใดตึ้ซึ่งตัวอย่างค่อนข้างชัดเพราะนวนยญาจีนเนี่ยมันมีเรื่องเดียวแต่นั่นเองคือจุดวัตถุกรรมเป็นจุดแตกหักเป็นจุดของการยื้อแจ้งเป็นจุดที่รวบรวมกระตุ้นความโลภ ของมันจะมีอยู่จํากัดคำภีรมีอยู่เล่มเดียวกระบี่มีอยู่เล่มเดียวของออมีอนุภาพมีอยู่สิ่งเดียวแล้วทุกคนก็พุ่งเข้าสป่ใบงาสิ่งนั้นแล้วในที่สุดก็กลัวคนอื่นจะได้เกิดการก็มีการต่อสู้กันมาทก็ตายหมดเลยไม่มีใครได้แล้วสมมติว่าใครได้ขึ้นมาคนนั้นก็กลายเป็นเป้าที่ถูกไล่ล่าต่อไป ที่จำนวนจี น, นชาคาว่าคนไม่ผิดผิดที่มียกติดตัวเพราะเราที่ปัญหาจะเกิดขึ้นแก่เราไม่ใช่อยู่ที่เรามันอยู่ที่สิ่งซึ่งเรามีเพราะเรามีมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะนำปัญหามากขึ้นเท่านั้นเพราะบางทีก็สรงแสดงในแนวที่ลึกขึ้นไปกว่านั้นแต่หมายความว่ามันก็สืบเ น, นื่องมาจากการขว่คว้านิดหนงเนทรงแสดงให้เห็นว่า ขันทั้งหลายนี่เป็นภาระที่ดับแต่บาคนก็ยังแบกขันเหล่านั้นเอาไว้แล้วไม่ใช่แบกเฉยๆก็คว้ไปเรื่อยๆที่พเจ้าทรงทรงแสดงให้เห็นว่ามีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรมีสามีปัญาา ญ, าาญาก็เศร้าโศกเพราะสามีปัญญามีเพื่อนก็เศร้าโศกเพื่อนมีทรัพย์ก็เศร้าโศกเพราะทรัพย์มีโคก็เศร้าโศกเพราะโคก็นับไปได้ไดๆดังนั้นมีบ้านหลายบ้านมันก็เศร้าโศกหลายๆบ้าน มีขันหลายขันที่เราต้องอุ้มต้องดูแลต้องรักษาต้องห่วงใยแล้วก็มีทุกข์ไปเรื่อยๆข้อนี้เป็นการคิดเสริมความคิดแต่เป็นระดับวิปัสสนาไปแล้วนะท่านจะเห็นว่าเป็นคิดแบบวิปัสสนาไปแล้วคิดต้องการจะตัดกระแสของปัญหาไปไม่มีโปโนพวิกาคือไม่ต้องการนี้ต้องการนั้นต้องการนู้น แล้วก็ไม่กำหนัดเพลิพนหรือแม้กำหนัดเพลิ น, พนก็แม้มาถึงระ ด, ดับฐา น, นทั้งสาวย์ทั้งหลายเห็นว่าดับฐานที่จริงไม่ได้หมายความว่าเราเราไม่เอาอะไระนะแต่เราเห็นว่าทรัพนี้มันเป็นสังขานที่จะต้องแตกดับจะต้องสูญหายจะต้องพิหน้าเพราไฟเพราะน้ําเพราะอันตรายเพราะสุตโต ล้วก็เห็นกัะจะชัดว่าคนมีเงินมากๆมาศาสบางทีก็หล่นตุ๊บลงมาเลยก็เปียออันตรายมากเราก็จัด ก, การบำเพ็ญเป็นบุญกุศลที่ได้ก็ฝังไว้ถึงคุมทรัพย์คือบุญตอนนี้ที่ยิงก็มีตันหาแต่มันก็ประนีตขึ้นก็แปลงวัตถุที่ตัวถือครองให้เป็นบุญยะกิยาวัตถุคือที่ตั้งของการมาเป็นุญ ต้องการจะให้เป็นเครื่องอิงอาศัยความทุกในการดูแลรักษาการคุ้มครองการป้องกันอันตรายมันก็ลดลงแต่ที่จริงแล้วก็เป็นระดับสินธรรมจัดยา่ามุ่งต ด, ดแต่งพบชาติของตนไดน้มีความประดิษฐ์มากิ่งขึ้นก็เรียกว่าสร้างบุญที่ติดตามตนไป พอชีวิตข้างหน้ามันยาวนานในปัจจุบันก็มีนิดเดียวชีวิตเรากับความตายนั้นคล้ายๆกันมันเหรียญด้านเดียวกันเหรียญเหรียญเดียวกันมาอยู่คนละด้านเราพลิกทีเดียวมันก็เป็นหัวเป็นก้อยต่างีชีวิตเราก็มีรักษณะอย่างนั้น ระหว่างความเป็นกับความตายมันทีมันเส้นใหญ่ที่กั้นกันอยู่นิดเดียวแต่ น, นั้นหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดหยุดก็กจบกันเพราะจากการคิดอย่างนี้มันไปถอนตัวอัตตาเรากลับมาที่เดิมท่านเห็นว่ามันก็กลับมาที่เดิมว่าอัตตาเนี่ยตัวตนที่เรายึดก็จริงๆเนี่ยเราจะยึดน้อยลงเราจริงแล้วยึดไว้มันก็อย่างนั้นแหละ มันก็ต้องแตกดับทีนี้ทํำยังไงถึงจะให้แตกดับได้ในทางที่ดีแตกดับก็แตกดับไปเราไปทําอะไรกับมันไม่ได้ของจะต้องแตกดับก็แตกดับเป็นธรรมดาแต่แตกดับเมื่อไรเราก็ไม่รู้เพราะก็ไม่ไปยึดติดในตัวอัตราตัวนี้แต่ว่าคิดแนวใหม่คือจะสร้างอัตราใหม่ นั่นก็คือแนวสินทำยัญญามักคิดสร้างอัตตาใหม่ยามทาบุญเพื่อสวรรค์ที่จริงเราก็สร้างอัตตาใหม่แต่อัตตาใหม่นี้มันดีกว่าอัตตาเก่าคือตัวตนเก่าประตัวตนเก่านี้ก็อย่างร่างกายของมนุษย์เรานั้นฉันใช้คําว่าโรคคณิสทางคือรางโรคแล้วประพังกุนังคือเปื่อยเน่าแตกทำํำลายเราได้กายที่เป็นทิ ที่จริงนั้นมันก็ไม่ถึงกับเปื่อยหน้าแต่มันก็แตกทำลายเพราะว่าเทวดานั้นไม่ได้ทิ้งซากเวลาท่านเกิดท่านก็ผุดเกิดเวลาตายก็ไม่ได้ทิ้งซากอะไรไว้ก็แสดงว่าไม่ได้มีความเปื่อยเน่าแต่ก็มีความแตกทำลายก็หม่อมความมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมแต่ก็แตกดับไปก็ยังองค์ป่าไดทิฏฐิฝังคาคือเกิดแก่ตายอย่างเดิมเพียงแต่ว่ามันนานขึ้น หมายความในช่วงนี้อัตราของเราก็เราก็ยึดน้อยลงแต่ยึดเพื่อจะคว้าต่อไปนะฮะไม่จะถึงจะยึดเพื่อจะปล่อยตั้นหาที่จะไขว่คว้าในโลกมันก็น้อยลงเพราะช่วงมันสั้นได้เกิดอีกกี่วันแล้วก็ตายแล้วคว้าอะไรกันนักหนาะต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป